ที่เก็บอัถบริขารที่เจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยแจกได้แล้วนะบอกแจกแจกได้ประชุมสงฆ์แล้วก็แจกจากนั้นพระนงก็ไปบอกพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เลประชุมกันคือในครั้งพุทธกาลอัถบริขารเนี่อัฐแปลว่า8ปดอัฐบริขารเนี่ยของบริขารแปหายากบริขารแปนั่นคืออะไรบาทกีวร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 คืภากรองน้ําแห่งของกรองน้ําธรรมกะลกอันนี้เลยบริขารของใช้ของพระมีอยู่แปดอย่างแต่บอกบริขาร8ในเมื่อพระท่านมรณภาพองค์ใดองค์หนึ่งลงไปแล้วก็เอาอัฐบริขารของพระองนั้นแหละสมบัติของพระองนั้นมาวางไว้ตรงกลางจากนั้นพระสงฆ์ก็นั่งล้อมพระสงฆ์ในวัดนั้นแหะในกลุ่มนั้นแหะ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 เราจะได้ใช้ละแต่พอจวนใจจะขาดก็ห่วงผ้าจีวนโอ้ข้าจะตายจริงหรือเนี่บริขารของข้าพนี่พอจนันทใจก็เลยขาดพอใจขาดท่านนั้น่ะวิญญาณก็เลยเข้าไปปฏิสนธิพ ไ, ไปเกิดเป็นตัวเรนตัวไรในผ้าจีวรผืนนั่นในกำเนิดกำเนิดสี่กำเนิดสี่ก็คือ